มาเรียผู้ชาญฉลาดก็ละครั้งหนึ่งมีอาณาจักรที่มีอำนาจมีโกบินโกบินนั้นเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศและอาศัยอยู่ใกล้กบวังพ่อค้าโกบินมีลูกสาวอยู่สามคนคนโตสุดชื่อเอเลนาคนที่สองชื่อเกรา่าและคนสุดท้ายชื่อมาเรียมาเรียเป็นคนที่สวยที่สุดวันหนึ่ง ราชาเรียกพ่อค้าโกบินเข้าวังฟ้าบาดเข้ามาสิโกบินยินดีต้อนรับฟ้าบาดเรียกข้ามาด้วยเรื่องอะไรใช่แล้วโกบินเรามีปัญหาติดขัดกับเพื่อนบ้านในเรื่องการค้าเราต้องการคนที่เชื่อใจได้และสามารถส่งของพวกนี้ไปได้ข้าต้องการให้เจ้าเป็นคนไปดูแลเรื่องพวกนี้ เมื่อได้ยินคำสั่งของพระราชาโกบินก็คิดอะไรไม่ออกเนื่องจากเขาเป็นห่วงลูกสาวของเขามากเขาไม่เคยปล่อยให้ลูกสาวของเขาอยู่ตามลาพังมาก่อนมีอะไรหรอโกบินทำไมนายจึงเงียบไปไม่มีอะไรมากฝ่าบาทถ้าข้าไปลูกสาวข้าต้องอยู่โดยที่ไม่มีข้าแต่ว่าข้าแค่เป็นหัวพวกเขาเท่านั้นเองไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากที่เจ้าไป ลูกสาวเจ้าจะได้รับการดูแลอย่างดีและจะไม่เป็นอะไรรับทราบฝ่าบาทโกบินไม่อยากจะทิ้งลูกสาวของเขาแต่เขาก็ไม่อาจปฏิเสธคําสั่งของพระราชาได้เขากลับไปที่บ้านเพื่อจะบอกลาลูกๆของเขาเขาได้เจอกระถางดอกกุหลาบและได้มอบมันให้กับลูกสาวทั้งสามของเขาและพูดว่าพ่อต้องเดินทางไปทํางาน อย่าให้ใครเข้ามาในบ้านถ้าลูกปล่อยให้เขาเข้ามาพ่อจะรู้จากกระถางพวกนี้ไม่มีอะไรต้องง่าเป็นห่วงคะ่ะท่านพ่อเดินทางปลอดภัยอย่าได้กังวลเลยนะคะโกบินบอกลาลูกๆของเขาวันรุ่งขึ้นพระราชามาที่บ้านของโกบินกับเพื่อนของเขาอีกสองคนมาเรียเห็นพวกเขา จึงบอกกับพี่สาวทั้งสองคนว่าพวกเราไปเอาไว้ที่ห้องใต้ดินมาให้กับพระราชากันดีกว่านะฉันจะไปเอากุญแจส่วนเอเลน่าไปเอาโคมและเกร้าไปเอาขวดนะเมื่อพระราชาได้ยินมาเรียพูดจึงบอกว่าไม่ไม่เป็นไรอย่าเดือดร้อนเลยพวกเราไม่ต้องการอะไรได้ยินไหมล่ะมาเรียฮะได้ยินไหมพระราชาน่ะไม่ต้องการอะไร พวกเราทั้งสองคนจะไม่ไปไหนทั้งนั้นตกลงถ้าพวกพี่ไม่ไปฉันไปเองมาเรียออกจากบ้านเธอแล้ววิ่งไปหาเพื่อนบ้า น, เ ป, ปนเปิดประตูหน่อยค่ะเปิดประตูหน่อยใครกันเนี่ยมันดึกขนาดนี้ในตอนกลางคืนน่ะป้าคะนี่หนูเองคะ่ะมาเรียช่วยเปิดประตูให้หน่อยคะ่ะโอ้มาเรียเองเหรอ มาทำไมดึกเดินล่ะเนี่ยฮะป้าคะหนูนะัททะเลกับพี่สาวมาหนูขอนอนด้วยได้ไหมคะได้โปรดนะคะอ๋อได้สิเข้ามาในบ้านก่อนนะมาเข้ามาก่อนมาเรียอยู่บ้านหญิงชาราทั้งคืนเมื่อมาเรียไม่ได้กลับมาที่บ้านพระราชาก็โกรธมากในตอนเช้ามาเรียกลับมาถึงบ้าน ก็ได้พบว่าดอกกุหลาบในกระถางนั้นได้เหี่ยวเฉาเนื่องจากพวกพี่ๆของเธอไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อเธอไปที่ห้องพี่สาวคนโตเธอเห็นเอเลน่ายืนอยู่ที่หน้าต่างมองไปที่สวนในวังมาเรียดูนี่สิดูแอปเปิลนะ่ะดูสวยมากเลยนะมันท่าทางจะอร่อยมากเลยช่วยไปเด็ดให้ฉันหน่อยได้ไหมเอเลนา่า ถ้าโตแล้วแต่ว่ายังทำตัวเป็นเด็กไปได้นะบลา<ะ>ได้โปรดละมาเรียช่วยหน่อยนะก็ได้ฉันจะไปเอามาให้มาเรียกระโดดออกจากหน้าต่างและเข้าไปในสวนเธอเด็ดเอาแอปเปิ้ลและในขณะที่กําลังวิ่งกลับมาเอเลนาตะโกนว่ามาเรียต้นไม้ข้างหน้าน่ะเต็มไปด้วยมะ น, นาวช่วยเด็ดมาให้ฉันหน่อยได้ไหมได้โปรดละ ขณะที่มาเรียวิ่งเข้าไปในสวนนั้นแต่ครั้งนี้ที่เธอกําลังเด็ดมะนาวอยู่คนสวนได้เห็นเธอเข้าเขาวิ่งมาหามาเรียเพื่อที่จะจับเธอหยุดนะคิดว่าเธอจะหนีไปไหนหลังจากที่เด็ดมะนาวพวกนี้หยุดนะอย่าให้ฉันจับเธอได้ฉันจะสั่งสอนเธอซะมาเรียผลักคนสวนอย่างแรงเขาล้มลงอย่างแรง ทำให้เขาไม่สามารถลุกขึ้นได้สักพักหนึ่งมาเรียวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นและไม่มีใครรู้ว่าโจรเป็นใครและวิ่งไปทางไหนมารียกลับมาถึงบ้านและได้ให้แอปเปิลกับมะนาวกับเอเลนาและต่อว่าเธอเห็นไหมละ่ะฉันเกิดมีปัญหาเพราะว่าเธอคนเดียวเลยหลังจากนี้อย่าให้ฉันทําอะไรแบบนี้อีกนะเข้าใจหรือเปล่า มาเรียเดินออกไปสิ่งที่มาเรียพูดนั้นไม่ได้ทําให้เอเลนาคิดต่างเอเลนากินแอปเปิ้ลอย่างสบายใจอืมเปแอปเปิ้ลที่อร่อยมากเลยโอขอบคุณพระเจ้าที่มาเรียได้มันมาถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็คงอดกินอ่ะอืมน่าสงสารคนสวนนะเขายังร้องเจ็บปวดอยู่เลยนะ่ะวันรุ่งขึ้น พี่สาวคนที่สองอยากจะกินกล้วยเธอจึงขอร้องให้มาเรียไปเก็บกล้วยมาให้เธอแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนั้นทำให้มาเรียไม่อยากไปอีกแต่พี่สาวของเธอนั้นยังยืนกรานที่จะกินกล้วยให้ได้เธอาาก็เลยต้องออกไปและเมื่อครั้งนี้มาเรียได้ไปที่สวนพระราชาได้เดินเล่นอยู่และพบมาเรียเข้าเธอนั่นเอง เธอต้องโดนลงโทษพระราชาถามคำถามมากมายกับมาเรียและเธอก็ยอมรับความจริงพระราชาพูดกับเธอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นฉันจะลงโทษเธอที่บ้านของเธอเองตามฉันมาพระราชาเดินไปที่บ้านของมาเรียส่วนมาเรียก็เดินตามพระราชาพระราชามอ ง, มงข้างหลังเพื่อดูว่ามาเรียจะไม่หลบหนีไปไหน แต่ทันใดนั้นเองเมื่อเขาหันหลังมามารีหายไปโดยที่ไม่มีวี่แววพระราชาส่งคนตามหาเธอไปทั่วเมืองแต่ก็ไม่มีใครพบเธอพระราชาโมโหมากและตั้งแต่นั้นเขาก็มีไข้สูงและไม่นานเขาก็ล้มป่วยลงเวลาหลายเดือนเขาก็ไม่หายจากอาการป่วยสถทีในขณะที่พี่สาวของมารีทั้งสอง ได้แต่งงานกับเพื่อนพระราชาและมีลูกทั้งสองครอบครัววันหนึ่งมาเรียแอบเข้าไปในบ้านของพี่สาวเธอเอาลูกทั้งสองของเขาไปมาเรียได้นำเด็กใส่ลงไปในตะกรา้าที่มีดอกไม้สวยงามและใส่ดอกไม้เพิ่มเข้าไปเพื่อปกปิดไม่ให้ใครรู้ว่ามีเด็กอยู่ด้านในและเธอก็แต่งตัวเหมือนกับผู้ชายเอาตะกร้าวางไว้บนหัว และเข้าไปในวังแล้วตะโกนว่าใครจะเป็นคนนําดอกไม้ไปให้กับพระราชาที่ป่วยเพราะว่ความรักกันที่ป่วยเพราะว่ความรักกันใครจะเป็นคนนําดอกไม้ไปถวายพระราชาพระราชาที่กําลังนอนพักอยู่ก็ได้ยินเสียงเขาเรียกทหารเข้ามาในห้องนอนของเขานี่ฟังนะเข้ามาหนิไปซื้อดอกไม้ จากผู้ชายที่ตะโกนขายอยู่ด้านนอกนั่นทหารไปซื้อดอกไม้มาทั้งตะกรา้าและเอามาให้กับพระราชาทันทีที่พระราชาเปิดฝาตะกร้าออกเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้จากข้างในเขาเห็นเด็กทารกในตะกร้าท่ามกลางดอกไม้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรักเขาสงสัยว่า เขาจะตอบแทนมาเรียกับของขวัญชิ้นนี้ได้ยังไงแต่เขาก็จำได้ว่ามาเรียทำอะไรไว้กับเขาเขาโกรธอีกครั้งเขาตัดสินใจจะแก้แค้นมาเรียและทันใดนั้นเองทหารก็เข้ามาฟาบาดพ่อ้าที่ท่านส่งไปทำงานต่างเมืองตอนนี้ได้กลับมาแล้วเอาล่ะไปบอกเขาให้เข้ามาที่ศาลพรุ่งนี้พร้อมกับเสื้อโค้ทที่ทำมาจากหินและถ้าเขาไม่มาพรุ่งนี้ บอกคขอให้เตรียมตัวตายได้เลยเออรับทราบฝ่าบานเมื่อได้กลับไปที่บ้านได้เห็นพ่อของตัวเองกำลังเศร้าหนักมากเขาคิดว่าลูกสาวเขาสัญญาว่าจะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแต่เขาก็ไม่เห็นลูกสาวของเขาทั้งสามคนที่บ้านเลยและเขาก็ได้รู้ว่าลูกสาวทั้งสองคนได้แต่งงานไปแล้วโดยที่เขาก็ไม่ได้อนุญาตและทหารก็มาถึง นีฟังนะพระราชาสั่งว่าพรุ่งนี้นายต้องไปที่ศาลพร้อมกับเสื้อโค้ดที่ทํามาจากหินให้กับพระราชาถ้าหากนายไม่ไปนายจะถูกลงโทษพ่อคาเสียใจในโชคชะตาของตัวเองในอีกทางหนึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ามารียอยู่ที่ไหนและเขาก็กลัวเรื่องเสื้อโค้ดพรุ่งนี้มากมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําโค้ดภายในหนึ่งวัน ฉันจะเตรียมเสื้อโคตให้ทันได้อย่างไงในวันเดียวท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเสื้อโคตนะคะท่านพ่อน่ะแค่นำช็อกนี้ไปแล้วก็บอกว่าจะมาวัดตัวให้กับพระราชาก็พอละค่ะพ่อคาไม่เข้าใจแต่เขาก็เชื่อในตัวมาเรียดังนั้นเขาจึงเข้าไปในวังกับช็อกนายมาเมื่อเปล่าได้อย่างไงเสื้อโคตอยู่ไหน ฝ่าบาทให้อภัยข้าด้วยข้าไม่สามารถทําเสื้อโค้ดได้ดีถ้างั้นก็เตรียมตัวตายบบไม่ฝ่าบาทให้อภัยข้าด้วยได้ปลดปล่อยข้าไปถ้าอยากมีชีวิตต่อก็นาลูกสาวของเจ้ามาให้กับข้าพ่อค้ากลับไปที่บ้านและไม่พูดอะไรเขาเศร้าใจมากและคิดว่า เขาจะส่งตัวลูกสาวให้กับพระราชาได้ยังไงเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาเห็นมาเรียนั่งรอเขาอยู่ท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นคะลุงพ่อพ่อต้องทำยังไงพระราชาสั่งให้พ่อส่งตัวลูกไปแทนที่จะเป็นเสื้อโคดไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะท่านพ่อพ่อสามารถนำตุ๊กตาที่ดูเหมือนลูกได้ตุ๊กตาจะต้องมีด้ายพันอยู่รอบคอให้ลูกดึงเพื่อที่ลูกจะสามารถตอบว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ได้ยังไงล่ะคะ พ่อค้าไปถึงวังกับมาเรียในวันรุ่งขึ้นพระราชาสั่งให้นําตัวมาเรียไปที่ห้องของเขาทหารได้นําตัวมาเรียไปที่ห้องพักของพระราชามาเรียได้ซ่อนตุ๊กตาไว้ในผ้าคลุมยาวเมื่อประตูปิดลงเธอดึงตุ๊กตาออกมาจากที่พับไว้ในชุดของเธอและซ่อนตัวไว้ใต้เตียงพร้อมกับถือได้ไว้ในมือมาเรีย ฉนหวังว่าเธอจะสบายดีมาเรียขยับหัวตุ๊กตาเพื่อให้พยักหน้าพระราชาได้ถามคําถามกับเธอและได้บอกกับเธอว่าเธอผิดอะไรบ้างมาเรียได้พยักหน้าตอบรับทุกความผิดที่เธอได้ทํเพราะอย่างงี้ความผิดของเธอมีโทษถึงตายพระราชานําดาออกมาและฟันไปที่คอของเธอ ทันทีที่หัวตกลงที่พื้นพระราชาก็รู้สึกเหมือนมีคนมาจูบที่เทา้ามันคือความรักถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ตามนี่ฉันทำอะไรลงไปฉันฆ่าเธอด้วยมือคู่นี้ฉันไม่ควรอยู่อีกต่อไปแล้วทันทีที่พระราชาจะตัดคอของตัวเองมาเรียได้ออกมาจากใต้เตียงและพระราชาได้กอดเธอ หลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป